ผู้หญงคนหนึ่งนะขับรถไปทําธุระพอถึงพอถึงที่หมายนะเธอก็จอดรถไว้ริมถนนนะแล้วก็ออกจากรถไปทําธุระทาธุระเสร็จกลับมาที่รถขณะที่กำลังสตาร์ทรถเนี่ยก็เห็นแบงค์รอยนะมันเสียบอยู่ที่ปัดน้ำฝน นะตรงกระจกอะ น, นะนอกรถเธอก็เลยลงจากรถเนี่ยเพื่อที่จะไปเอาแบงค์แตขณะทีนะ่กำลังจะหยิบแบงค์ร้อยเนี่ยออกจากที่ปั่นน้ำฝนเนี่ยก็มีชายแปลกหน้านี้รีบนะเข้าไปในรถเลยของเธอปิดประตูแล้วก็ขับรถหนีไปเลยนะ ผู้หญิงคนนั้นก็ตกใจนะรถของตัวแท้แท้นี่ตอนนี้มีคนหนึ่งขับไปแล้ะก็ไม่รู้จะตามหารถคืนได้หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นวิธีการนะของวิชาชีพที่เริ่มจะระบาด ท, ที่จริงก็ทำกันมานานแล้ะแต่ว่าตอนหลังก็ทำกันมากขึ้นมนาะคอยนะวิชาชีพเนี่คอยจ้อง เวลาใครจอดรถออกไปทำธุระข้างนอกนี่เขาจะเอาธนบัตรนี้เสียบไว้ตรงที่ปัดน้ำฝนเจ้าของรถเนี่ยเวลาสตาร์ทรถนี่ก็ต้องเห็นแล้วนะและรอยท้งร้อยเนี่ยหรือเกือบจะรอยท้งร้อยเลยก็ต้องลงจากรถนะอาจจะเป็นเพราะว่า มีลาบรอยมาแล้วนะมีเงินแบงค์ร้อยก็ดีแบงค์ห้าร้อยก็ดีเสียบอยู่นี่จำเมินเฉยได้อย่างไรนะคงมีความอยากได้เกิดขึ้นมาพอลงจากรถนั้นเลยนะแล้วประตูยังไม่ทันปิดเลยนะนะีมันก็เป็นโอกาสดีนะที่มิจฉาชีพนี่จะเข้าไปเข้าไปสวมรอย ขับรถหนีไปเลยพวกมิชาชีพนี่ก็ฉลาด น, นะในเรื่องจุดอ่อนของมนุษย์รู้ว่าจะทำอย่างไรเนี่ยให้คนเนี่ยลืมตัววพราะถ้าคนไม่ลืมตัวเนี่ยมิชาชีพก็หลอกได้ยากนะวิธีหนึ่งจะไม่ลืมตัวคือว่าเกิดความอยาก เห็นแบงค์เนี่ยอยากได้บางคนอาจจะไม่อยากได้สิเดียวนะแต่ว่าอยากจะรู้อยากจะเห็นว่าเอ๊ะใครมาเสบอะไรไว้แต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาต้องการล่อให้เกิดความอยากอยากได้ก็ต้องลงจากรถไปนะก็เปิดช่องให้เขาเนี่ยนะขับรถหนีไปได้เวลาเกิดเแบบนี้เนี่ยนะในการมีสติ หรือว่าอย่างน้อยๆเนี่ยเกิดความเฉลียวใจมันจะช่วยได้มากนะเพราะว่าอะไรที่มันดูดีเนี่ยหรือว่าดูง่ายเกินไปเนี่ยมันดูจะไม่ชอบมาพากฏคนรอถ้าฉุกคิดหรือเฉลียวใจนะว่าเอ๊ะใครเอาแบงค์ร้อยมาเสียบไ้เนี่ยมันไม่ธรรมดาแล้วล่ะ แต่คนส่วนใหญ่ไม่ทันเอนะความอยากมันขึ้นหน้าก่อนอยากได้เพราะอยากได้เนี่ยมันไม่เปิดช่องให้สติได้ทำงานนะเกิดการฉูกคิดหรือการเฉลียวใจถ้าฉูกคิดหรือเฉลียวใจนะก็ทำให้นะี่ยังไม่ลงจากรถนะเพราะว่ามันไม่ชอบมาผากรนนะ่ อะไรที่มันดูง่ายๆดูดีๆเนี่ยหรือว่าเหมือนกันลาบรอยนี้ต้องระวังนะเดี๋ยวนี้เนี่ยคนก็โดนหลอกเพราะแอปเงินกู้นี่มากเลยนะทวนนี้เนี่ยคนก็เดือดร้อนเรื่องเงินเยอะก็เปิดช่องให้พวกวิชาชีพมาในคราบของแอปเงินกู้นะแอปเงินกู้นี่ก็จะมีอะไรล่อใจหลายอย่างนะเช่นได้เงินทันทีเลยนะ ไม่โอเอไม่ต้องรีรอได้เงินทันทีไอ้แบบนี้เนี่ยนะมันดีเกินไปมันง่ายเกินไปบางทีคนเราเนี่ยก็ชอบอะไรที่มันง่ายๆนะชอบอะไรที่มันทันใจโดยเฉพาะถ้าเป็นลาบเนี่ยจะเป็นเงินทองเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ย อะไรที่มันง่ายอะไรที่มันสบายนะถ้าเรารู้จักเอะใจหรือ จ, กอจัอจกฉุกคิดหรือฉเฉลียวใจสักหน่อยเนี่ยก็ยากนะที่จะตกเป็นเหยื่อพราะพวกที่จะมาล่อลอกนะคนเราเนี่ยหรือพวกที่จะมาตบทรัพย์เนี่ยอย่างแรกที่ก็ต้องทําคือทําให้เกิด อารมณ์บางอย่างเกิดเช่นเกิดความโลภเกิดความอยากได้ถึงตอนนั้นแหละก็จะไม่เฉลียวใจผีร้ลมทันทีแอปเงินกู้กัเหมือนกันนะโอยยืมเงินได้อย่างรวดเร็วทันใจแต่พอยืมเงินเข้าไปนี่หัวลำบากเลยนะดอกเบี้ยสูงแถมยังขมขู่นะตาม ตามคู่บางือก็ตามแบ็กเมร์เพราะว่าพอได้พอยืมเงินเขาเนี่ยต้องไปต้องไปกดลิงก์อะไรของเข้าบางอย่างทำให้เขาเนี่ยสามารถจะเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวแม้กระทั่งรูปภาพแม้กระทั่งเบอร์โทรศัพท์ของคนรู้จักไอ้พวกนี้เนี่ยเป็น เครื่องมืออย่างดีของพวกมิจชาชีพนะที่จะม า, าตามเล่นงานเราเพื่อบังคับให้เราจ่ายเงินไม่ใช่คืนเขาอย่างเดียวนั้นะเพราะว่าต้องจ่ายเงินให้กับเขามากกว่าเงินต้นที่ยืมซิเดือยผู้เสียคนไปเยอะแล้วนะบวางคนเขาฆ่าตัวตายไปเลยเพราะว่านี่บาลเบริรเลยนะเพิ่มเป็นสิบเท่าก็มี แต่ไม่จ่ายนี่เขาจะไปปล่อยข่าวลือให้กับพวกเครือข่ายที่เรารู้จักเพราะว่าเขามีเบอร์โทรศัพท์นั่นถ้าเกิดว่าเวลาเราเจอเรื่องพวกนี้เนี่ยนะฉุกคิดไว้ก่อนนะรู้จักเฉลียวใจพอเราเสกฉุกคิดเนี่ยมันก็จะได้คิดนะว่าเนี่ยมันคงจะต้องมีอะไรพิดรุดอย่างถ้าเป็นกรณีแบบเนี้ยเอาเงินเสียบไว้ในช่อง หรือในที่ปั่นน้ำฝนเนี่ยเห็นแล้วนี่อย่าพึ่งลงจากรถนะขับรถไปเลยเพราะคนผู้มิสาชีนี่เขารออยู่ใกล้ๆนะบางทีเราไม่ท่างสังเกตก็ารออยู่ใกล้ ๆ, ออลๆพอเราลงจากรถนี่เขาก็เข้ามาเสียบเลยเข้ามานั่งเลยนอกจากความอยากหรือความโลภแล้วเนี่ยบางทกีก็ตุ้นความกลัวนะ อย่างที่เห็นอยู่บ่อยๆหรือที่มีข่าวอยู่บ่อยๆหัวแก๊งคอรเซ็นเตอร์มาส่งข้อความหรือว่าโทรศัพท์มาบอกว่าเนี่ยพบว่าเนี่ยเรามีการฟองเงินนะมีหลักฐานอยู่ในบัญชีธนาคารหรือว่าพบหลักฐานว่าเราไปเกี่ยวข้องนะกับแก๊งค้ายยาให้รีบติดต่ออ่า ด s เอสไอเพื่อมาชี้แจงพอเจอวันนี้เขาคนก็กลัวนะเขาให้กดลิงก์ก็กดแต่บางทีก็กระตุ้นให้เราโกรธนะเขียนข้อความมาต่อว่าด่าทอให้เรารุนแรงหาว่าเราไปทำร้ายเขาอย่างงนอย่างนี้หาว่าเราไปคอมเมนต์ไปว่าเขาอย่างงนอย่างนี้ไม่เชื่อนี่ก็ให้ไปดูนะแล้วก็ให้ลิงก์มา ให้ความตื่นตกใจก็ดีความโกรธก็ดีถูกเขาด่านี่นีมันอยากจะตอบโต้กดลิงเข้าไปนี่ก็เสร็จนะพวกนี้ก็สามารถจะเข้าไปแฮ็กข้อมูลเอาเงินจากธนาคารจากบัญชีธนาคารได้อันนี้ก็เหมือนกันนะมันกระตุ้นส้ากระตุ้นความโลภไม่ได้ก็กระตุ้นความกลัวความโกรธเพราะอารมณ์วันี้เกิดขึ้นทีไรเนี่ยลืมตัวขาดสติไม่ทันยังคิด แต่ถ้าหาว่าเรารู้จักฉุกคิดสักหน่อยนะแม้เราจะไม่รู้ความจริงคืออะไรแต่ฉุกคิดสักหน่อยเอใจสักหน่อยจะไม่ผีพรามนะจะนั่งคิดไตรตรองว่าจะทํำยังไงแล้วถึงตอนนั้นก็ จ, จะรู้ว่าเนี่ยสงสัยนี่เป็นอุบายของพวกมิจฉาชีพเราก็จะไม่หลงตกเป็นเหยื่อเขาได้ไง่ายๆการรู้จักเอรู้จักฉุกใจคิดหรือเฉลียวใจนี่สําคัญมากเนี่ยเพราะว่าไม่งั้นนี่จะพาดท่าเสียที ไม่ถูกหลอกด้วยผู้มิชาชีพก็ถูกหลอกเพราะว่ามีคนมาอยากจะล้วงเงินในกระเป๋าเรานะโดวยวิธีการที่ถูกกฎหมายก็มีเยอะนะ